บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยะแห่งพระพุทธดำรัสที่พระพุทธเจ้าได้สัตแก่โพสาวรมานพได้ทรงแสดงเห็นว่าทรงทรงอย่างรู้ถึงวิญญาณทิติคือที่ตั้งแห่งวิญญาณทั้งเจ็ดประการ และให้บุคคลผู้ปฏิบัติได้ตระหนักว่าในแต่ละขั้นตอนที่บุคคลสัมผัสทั้งด้วยการเกิดเป็นรูปร่างหรือสัมผัสในขณะจิตแต่ละขณะก็ตามเป็นสิ่งที่ยังมีความเกี่ยวเกาะผูกพันอยู่ด้วยความทุกข์และด้วยสังสารปัจจัให้ใช้ปัญญาพินิจ พ, พ, พิจารณาในแต่ละจุดของอารมณ์ เฉพาะในที่นี้ก็ทรงยกเอาอารูปประชานคิดมาเพราะพูทถามบรรลุถึงจุดนั้นไยพิจารณาตัวอรูปประชานนั่นเองให้เห็นความจริงตามระตสายรักแล้วทายท้อนความยึดมั่นถือมั่นเสียจนจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายอนันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติ แม้จะเป็นการแสดงประรบวัตถุหรืออารมณ์เครื่องกำหนดพินิพิจารณาไว้ในระดับสูงคือระดับของอรูปฌานแต่โครงสร้างของการปฏิบัติแล้วก็คงเป็นเช่นนั้นไปทุกขั้นตอนซึ่งหมายความว่าในเชิงของการปฏิบัติแล้วในขณะนั้นๆจิตของบุคคล กำหนดระลึกในอะไรจุก็ต้องเข้าใจว่านั้นยังไม่ใช่ที่สุดเป็นเพียงความสงบจากนิวรด้วยอารมณ์ของกรรมฐานข็อใดข้อหนึ่งเท่านั้นเพื่อจะไม่ให้หลงติดหลงเพลิดเพลิน อ, อยู่ในสิ่งนั้น ที่ตัณฑช้คำว่าติดสุขติดสงบหรือติดฌานอะไรก็าตามก็ถือว่าเป็นความติดแล้วใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงอารมณ์ที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นๆให้มองเห็นความจริงว่าแท้จริงแล้วมันเป็นเรื่องของจิตที่ประนีตขึ้นไปเท่านั้นในพสภาวะที่มาปรุงแต่งให้เกิดความประนีตนั้น ยังไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้นแน่นอนคือพร้อมที่จะแปรปลนุนเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้เพราะยังอยู่ในขั้นของโลกีธรรมนายกเอาสิ่งนั้นเองขึ้นมาพิจารณาตามหลักของพระจัยลักษณหลักของพระจัยรักษก็คือหลักของพระจัยรักที่พิจารณาอะไรก็ตามก็ใช้มาดเดิมคือเครื่องมือเดิมนั้นเองเข้าไปดู ึงอาจจะดูในแนวของอ น, นิจจังคือความเป็นของไม่เที่ยงโดยดูที่ความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปของสิ่งเหล่านั้นแต่ในทางปฏิบัติอาจจะดูเฉพาะช่วงเกิดก่อนแล้วไปดูช่วงดับหรืออาจจะดูเฉพาะช่วงดับอย่างเดียวก็ได้ เพราะว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปในเวลาที่รวดเร็วดังนั้นเมื่อมองเห็นในจุดดับก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตนส่วนดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กลางๆก็ได้ก็จะมองเห็นว่าที่จริงแล้วก็เป็นสิ่งที่จะต้องเกิดดับไป ตามธรรมดานั่นเองในชั้นของการดำรงชีวิตทั่วไปเวลาประสบกับอารมณ์ที่น่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาก็ตามุู้คนก็สามารถใช้หลักของไตรลักษณ์เป็นเครื่องกําหนดระลึกรู้เพื่อถ่ายถอนบรรเทาความกำหนัดความยึดติดหรือความขับแค้นในสิ่งเหล่านั้นลงไปได้ คนนี้เพิ่งสังเกตว่าเวลาเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามถ้าเรารู้แก่ทั้งหมดคือจากจุดเกิดถึงจุดดับของแก่ไอความคิดที่จะเอาจริงเอาจังกับเรื่องเหล่านั้นกําหนดหมายมุ่งหมายไว้ต้องเป็นอย่างนั้นนะอย่าเป็นอย่างอื่นเลยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเช่นยกตัวอย่างว่าเร า, า จ, จะได้ลาบ ได้ยศได้สันเรินได้ฐานะตำแหน่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอะไรก็ตามก็มองเห็นว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยให้แกดำรงอยู่ได้แกก็ดำรงอยู่เมื่อเหตุป yeah. ัจจัยเปลี่ยนแปลงไปแกก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป วันทั้งช่วงเกิดขึ้นช่วงตั้งอยู่และช่วงดับไปใจก็มีการลึกรู้อยู่ทุกขณะอยู่ตลอดระยะเวลาพอเกิดก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดเมื่อเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปก็กำหนดรู้ได้แต่ทีว่าสิ่งที่จะต้องมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปนั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วและกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่และจะเปลี่ยนแปลงในโอกาสต่ตอไป พอถึงขาวแตกดับปัญญาก็จะเกิดขึ้นไปวินิจฉัยว่าสิ่งจะต้องมีการแตกดับเป็นธรรมดาก็แตกดับแล้วเปลี่ยนแปลงไปแล้วสลายไปแล้วใจก็จะไม่เดือดร้อนเพราะฝืนกติแห่งธรรมดาก้านนี้จะพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคล ก็เกิดขึ้นมาจากการกําหนดหมายให้เป็นอย่างที่ตัวต้องการจะให้เป็นเมื่อสิ่งใดไม่เป็นตามที่เราต้องการให้เป็นแล้วเกิดทุกข์กับสิ่งนั้นหรือสิ่งใดที่เราไม่ต้องการให้เป็นแต่เกิดแก้เกิดเป็นขึ้นมาเราก็เกิดทุกข์กับสิ่งแบบนั้นแต่ถ้าเรายอมรับในแง่ของคติธรรมดาว่าเมื่อเหตุปัจจัยให้เกิดมันก็เกิดเมื่อก็ฝนตกมา่อเหตุปัจจัยให้ตกมันก็ตก แต่จริงฝนตกก็เป็นของไม่เที่ยงเมื่อเหตุปัจจัยให้ตกหมดมันก็ไม่ตกมันก็ฝนก็หายไปมาจับที่โรคภัยไข้เจ็บมาจับที่อะไรก็จะมองเห็นในลักษณะนั้นจนถึงกับการเกี่ยวข้องกับคนกัตสัย์ทั้งหลายในชีวิตประจำวันก็จะเกิดความรู้สึกในแน ว, แนวเดียวกันด้วยโครงสร้างเดิมคือใช้ปัญญาพินิจพิจามองเห็นทั้งกระบวน คือจากจุดเกิดถึงจุดดับของสิ่งนั้นนั้นไม่ว่าจะได้จะบีจะเป็นอะไรก็ตามมองในแง่ของความเป็นเหตุปัจจัยยามที่แปรปรวนก็เพราะเหตุปัจจัยมันแปรปรวนไปที่จริงเราอาจจะมองที่ไหนก็ได้อาจจะมองที่จานอาหารซึ่งวางอยู่ข้างหน้าก็ได้เราก็เห็นความไม่เที่ยงที่ปรากฏอยู่ในจานของอาหารในขนมที่รับประทานเข้าไป ในของร้อนหรือของเย็นที่กำลังวางอยู่ข้างหน้าและจะรับประทานเราก็เห็นความไม่เที่ยงที่ปรากฏอยู่ในสิ่งเหล่านั้นของร้อนมาเริ่มจากร้อนเสร็จแล้วก็เปลี่ยนแปลงเข้าไปสู่ความเย็นของเย็นมาเริ่มจากเย็นก็เปลี่ยนแปลงกลายไปสู่ความร้อนและถูกความร้อนแผดเผาก็คืนเข้าสู่สภาพเดิมอย่างที่บางครั้งท่านสอนให้ดู ในแง่ของความเป็นธาตุว่าธาตุดินในสุดมันก็กลับสู่สภาพดินธาตุน้ําก็กลบกลับไปสู่น้ำธาตุลมก็กลับไปสู่ลมธาตุไฟก็กลับไปสู่ไฟจะทําทให้ใจที่ไปกําหนดหมายไปยึดมั่นถือมั่นในแนวว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างอื่นก็เบาลงเพราะเอาก็จริงๆแล้ว การกำหนดพิจารณาในระดับนี้เราไม่ต้องไปมองไกลถึงคนอื่นหรือสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นแม้แต่ตัวของเราเองก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากจะให้เป็นหรือเราต้องการจะให้เป็นบางอย่างไม่ต้องการให้เป็นแต่มันเป็นบางอย่างไม่ต้องการให้มีแต่มันเกิดมีบางอย่างอยากให้เป็นแต่ไม่ยอมเป็นบางอย่างอยากให้มีแต่ไม่ยอมมีบางอย่างอยากให้อยู่ก็ไม่อยู่บางอย่างอยากให้ไปก็ไม่ไป การะจะเกิดความทุกข์ที่พระเจา้าทรงชช้คำว่าการต้องประจวบคือต้องเกี่ยวข้องกับคนกษัตริย์ที่เราไม่ชอบเจ้าเป็นทุกข์การที่คนอันเป็นที่รักของเราหรือสิ่งอันเป็นที่รักของเรารัฐพลาดไปก็เป็นทุกข์เราะนี่ลองสังเกตว่าการที่เราเกิดทุกข์เพราะต้องเกี่ยวข้องกับคนสัตว์สิ่งของที่เราไม่ชอบนั้น ่จริงแล้วมันเกิดขึ้นจากความอยากไม่ให้มีแต่มันเกิดมีอยากไม่ให้อยู่แต่มันเกิดอยู่อยากไม่ให้เป็นมันเกิดเป็นขก้นมาพอไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็เกิดเป็นโทสะเกิดเป็นความทุกข์ควา ม, ม อ, อาึดอัดขาดข้องการตรรากนั้พลาดจากคนศาสตร์สิ่งของกันเป็นที่รักนั้นเมื่อสืบสาวถึงเบื้องหลังของความคิดก็เพราะว่าเกิดขึ้นจาก ความต้องการจะให้สิ่งนั้นอยู่แต่ไม่ยอมอยู่สิ่งนั้นไม่เปลี่ยนแปลงแต่แก้เกิดเปลี่ยนแปลงไปถิงนั้นไห้เป็นไปาตามที่เราต้องการแก้เกิดไม่เป็นไปาตามที่เราต้องการเราก็เกิดความทุกข์ดังนั้นถ้าเข้าใจคติธรรมดาาในขณะนั้นๆในเรื่องนั้นๆไม่จะเกี่ยวข้องกับอะไรก็ตามบุคคลก็ได้รับประโยชน์จาก การใช้ปัญญาสอดส่องการใช้ปัญญาพินิพจนรณาอยู่ทุกขณะพอมาถึงในด้านการปฏิบัติระดับกรรมฐานก็เป็นเช่นเดียวกันซึ่งโดยพื้นฐานของการปฏิบัติเนื่องจากคนเรามีอินทรีย์ที่แตกต่างกันบางคนนั้นก็เรียกว่าสมถญาณนิกคือไปได้ดีโดยวิธีสมถะ อาศัยสมถะเป็นยานภาหนะเป็นเครื่องมือในการดําเนินการประพฤติปฏิบัติแต่บางคนเป็นคนประเภทที่เรียกว่าวิปัสนาญาณ น, นีคือต้องใช้วิปัสนาเป็นเครื่องกําหนดพินิพิจนาและจะเกิดความรู้ความส ง, งบก็จะติดตามมาแต่ก็จริงในบางครั้งเวลาปฏิบัติมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยในขณะนั้นๆ บางครั้งปัญญามีกำลังแก่กร้ามากก็เกิดไปพิจารณาเถอะแทนที่จะกำหนดให้จิตส ง, งบตามอารมณ์ที่ลงมือประพฤติปฏิบัติในกรณีนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปเลยให้เห็นความจริงตามพระไตรลักษณ์ แต่ถ้าพิจารณาไปพิจารณาไปใจเกิดสงบก็ใช้อารมณ์ตัวนั้นเองเป็นตัวกําหนดให้ใจสงบพวกนี้ก็อิงอาศัยซึ่งกันอะรกันที่จริงในความเป็นสมถะเก็มีวิปัสสนาอยู่ในความเป็นวิปัสสนาก็ต้องมีสมถะเป็นฐานอยู่เมื่อสิ่งใดที่เกิดมีกําลังที่ให้จิตมันเดินได้เข้าสู่ความสงบเกิดความรู้ได้ก็ใช้สิ่งนั้นในขณะนั้นๆ ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในขณะนั้นเป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้และสิ่งที่เก็บสะสมไว้ภายในใจก็เป็นกำลังที่เกื้อคูลกันทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายของความสงบแล้วก็ฝ่ายของความรู้บางอย่างเราอาจจะตั้งใ จ, จเจริญวิปัสสนากรรมฐานด้จิตใจมันเกิดน้อมข็หาความสงบก็สงบไปเลย เมื่อปฏิบัติได้เช่นนี้ตัวการสำคัญจริงๆ จ, จริงอยู่ที่การใช้สติสัมมาชัญญะให้เราลึกรู้ทันอารมณ์ในขณะนั้นๆในชั้นของสมถะก็มุ่งให้เกิดความสงบในชั้นของวิปัสสนาก็มุ่งให้เกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามความจริงซึ่งอาจจะยกเอาเครื่องมือคือใยรักษ์ขึ้นมาพิจารณาใน แนวใดแนวหนึ่งเพราะตามปกติแล้วคนเราจะเห็นไม่ค่อยเหมือนกันคือบางคนเห็นในสายความทุกข์นชัดเพราะเคยเก็บเคยสะสมความทุกข์เอาไว้เคยสัมผัสความทุกข์อยู่ในชาติปัจจุบันหรือเคยเก็บสะสมเรื่องเหล่านี้เอาไวใาา้ในชาติปางก่อนเคยนทุกข์กระสัได้ชัดเจนก็เริ่มมาจากทุกข์กระส แต่บางคนมองเห็นในแง่ของความไม่เที่ยงได้อย่างชัดเจนก็ดูในแง่ของความไม่เที่ยงและต่อไปก็จะเห็นในข้ออื่นแต่บางคนนั้นอาจจะเห็นในแง่ของความไม่ใช่ตัวเชื่อตนไม่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนอะไรก็มองในแนวของอนัตตาแต่สรุปว่าผลที่เกิดขึ้นจากการมองนั้น จะต้องปรีมีความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจในระดับใดระดับหนึ่งคืออะไรคือว่าความรู้สึกในแนวตันหาต้องลดลงความเป็นของเราต้องลดลงบางครั้งอาจจะลดลงในแง่ที่มีเหตุผลมากขึ้นไม่ได้ลดชัดๆคือไม่ลดจนขนาดว่าปล่อยวางไม่ยึดมั่นหรือมั่นแต่ลดมันเป็นการเพิ่มเหตุผลขึ้น ในความเป็นของเราข้อ น, นี้เพิงสังเกตว่าบางครั้งเรายึดถือด้วยความเป็นของเราอย่างไม่มีเหตุผลอะไรแม้ของเราเปลี่ยนแปลงไปก็ยังยึดถือว่าเป็นของเราพอไม่จะเป็นของเราถ้าขืนยึดถือว่าเป็นของเราแล้วก็จะเกิดทุกข์ต้องยอมรับว่าเมื่อก่อนเคยเป็นของเราบัดนี้ไม่จะเป็นของเรามันก็เป็นอื่นไปแล้วซึ่งว่าที่จริง ไม่เป็นในวันนี้วันต่อไปก็ต้องเป็นก็เป็นอย่างอื่นใชในวันนี้ใจมันก็หยุดเพียงเท่านั้นแม้ในชั้นศีลทําจัร ญ, ญาเกินในชั้นของการดํารงชีวิตประจำวันความคิดในชั้นนี้ก็สามารถที่จะบรรเทาความรู้สึกไขว่คว้าปรารถนาแม้สิ่งที่ไม่เป็นของเราให้เป็นของเราก็จะบาบางลงไปได้ คือปรับใจให้ยอมรับถึงความเปลี่ยนแปลงความแตกดับที่บังเกิดขึ้นได้และแม้ในระดับที่ลดหลั่นกันลงมาอีกเช่นว่าความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนระหว่างเพื่อนฝูงสามีพันยาหรืออะไรก็ตามแต่เราก็มองยอมรับถึงความจริงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดเปลี่ยนแปลงไปจะเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็อยู่ในวิสัยที่แก้ไขได้ บางอย่างอยู่ในวิสัยที่ให้อภัยกันได้บางอย่างอยู่ในวิสัยที่จะทำความเข้าใจกันหรือว่าเลิกแล้วต่อกันประทาให้การปฏิบัติเกี่ยวข้องระหว่างบุคคลสองคนเป็นต้นไปมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันลบรอยร้าวภายในดวงใจออกไปได้แล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ปัญหาสำคัญในการ ศึกษาปฏิบัติธรรมะจึงอยู่ที่ความรู้ประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องระดับสูงที่จริงในระดับชีวิตประจำวันนี่เองที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าให้เห็นประจักษ์ชัดในขณะนั้นๆการจะเห็นประจักษ์ชัดก็ทำยังไงก็คือใช้ปัญญาพินิษพิจารณาอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อบุคคลใช้ หลักของโยนิโสมนสิการคือการทำไว้ในใจโดยบานแยบคายโดยเหตุโดยผลมีระบบกฎเกณฑ์ในการพิจิพิจารณาในการคิดสอดส่องพิจารณาสิ่งทั้งหลายอยู่ก็จะเกิดความรู้เห็นประจักษ์ชัดสิ่งนั้นด้วยปัญญาในระดับต่างๆแต่การกำหนดรู้ว่าเห็นหรือไม่เห็นหรือว่ารู้หรือไม่รู้ ก็มาดูที่ผลซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตคือการลดตัณหาลงไปการลดมานะคือความถือตัวถือตนลงไปแนการลดทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนลงไปซึ่งการลดในตอนต้ น, น, นจะเห็นได้ว่าวิธีการของพระพุทธศาสานานั้นก็เริ่ม สอนให้ลดพวกนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่ระดับพื้นฐานของการปฏิบัติทางศานสนาเราจจะเริ่มที่ทานหรือที่ศีลก็ตามเพราะขั้นตอนของการปฏิบัติท่าสอนคารวา่าจะทรงใช้คาว่าทานศีลภาวนาถ้าสอนพระจะทรงใช้คําว่าศีลสมาธิปัญญาซึ่งมีเป้าหมายอย่างเดียวกัน คือให้เป็นไปเพื่อความส ง, งบเป็นไปเพื่อความรู้เป็นไปเพื่อความดับในขั้นนั้นนั่นความรู้จะมากขนาดไหนความส ง, งบจะมากขนาดไหนจะดับมากน้อยขนาดไหนก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของบุคคลเล่านั้นแต่ในความรู้ความส ง, งบความดับเหล่านั้นมีจุดสุดยอดของเขาคือมรรคนนผ่านอย่างที่ทราบ ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงแก่พระประุษสาระแก่ปุษสามานุกนั้นเขาเรียกว่ามีพระอาหารหันต์เป็นยอดคือมุ่งไปสู่จุดสูงสุดคือพระอาหารหัสตมรรคพระผู้ปฏิบัติท่านเดินทางมาเรียกว่าครึ่งทางแล้วก็เริ่มนับหนึ่งจากตรงนั้นแต่หมายความว่าแม้จะถอยไปที่บันไดขั้นหนึ่งก็คงอาศัยโครงสร้างเดียวกันข้อนี้ ในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัดสรู้เวลาพระพุทธเจ้านำมารับสั่ ง, งเล่าแก่ภิกษุทั้งหลายก็จะทรงใช้คําเหมือนกันทุกแห่งเหล่านั้นเมื่อเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตัสรุปเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีตนอันมั่นคงแน่วแน่ส่งไปคือมุ่งหมายที่จะให้เกิดผลอย่างนั้น แล้วพอมาสอนผู้ปฏิบัติหรือพวกลูกศิษย์พุทธศาสนิกชนก็สอนธรรมะสามข้อเหมือนกันที่เราคุ้นๆคำบาลีก็คือว่าอาตาปีสัมปชานโนสติมาวินยะโลกเกวิจโดมนัสสังมีความเพียรเผากิเลสให้ ร, ร่าเรอนมีสัมปชัญญะมีสติไขจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกไป ซึ่ว่ากันตามความเจริงความเพียรก็คือความเพียรเช่นเช่นเดียวกับที่ทรงแสดงความสติก็คือความไม่ประมาทมีเจตจำนงมุ่งมั่นสำนวนบาลีท่านใช้คำว่ามีตนส่งไปแล้วแลวอยู่ก็ฟังยากนะหมายถึงว่ามีปัญญาเป็นตัวการรกับหรือว่าสัมปชัญญะเป็นตัวการรกับในการประพฤติปฏิบัติก็ใช้โครงสร้างเดียวกัน ผนจากโครงสร้างเหล่านี้บุคคลสามารถที่จะนามาใช้ในชีวิตประจำวันได้ในขั้นหนึ่งที่เรายังเดินไปไม่ถึงก็ชื่อว่าเดินตามท่านเดินตามท่านผู้รู้ทั้งหลายในขั้นตอนนั้นๆก็เราเดินไปบนเส้นทางอเดียวกันทัดไปถึงก่อนก็คือถึงก่อนเราก็เดินไปเรื่อยๆในโอกาสหนึ่งเราก็ถึงเราอาจจะไม่ถึงใน ชาตินี้ก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยในชาติหน้าแต่บนเส้นทางสายนั้นเราสามารถสัมผัส ผ, ผลที่เป็นความส ง, งบเป็นความรู้เป็นความดับได้ในในระดับต่างๆในขั้นต่างๆยันที่ทรงแสดงเรื่องของมิมุตคือจิตที่หลุดพ้นเอาไว้ยันถึงห้าระดับต่อเป็นสมระดับใหญ่หระดับย่อย ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือดับด้วยอารมณ์นั้นๆในขณะนั้นๆซึ่งกนนี้ที่จริงแล้วเพียงแต่มีสติสมัญญะหรือความเพียรระดับหนึ่งเราก็ดับอะไรได้พอสมควรถึงเกิดความโกรธขึ้นมาที่จะนายโต้ของความโกรธก็ดับความโกรธก็หยุดเท่านั้นก็คล้ายๆกับประกายไฟเล็กๆไปตกในเสื้อผ้าอาจจะมีจุดอยู่ได้แต่เราก็รีบดับเสีอย่างรักษาเสื้อผ้าส่วนใหญ่เอาไปได้ จิตใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกันมีกิเลสเกิดขึ้นเป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมีความุวดมัวเศร้าหมองมีความ ร, าร้อนร้อนบางเกิดขึ้นแต่ถ้าปัญญาระลึกรู้ทันในขณะนั้นก็ได้ดับเสียแล้วก็ไหม้เท่าที่มันไหม้ส่วนดีเราก็รักษาไปได้ปัญหาในชีวิตของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็นี่เพื่นสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นสายของทุกข์สัตว์หรือสายของสมุทัยสัตว์ก็ตาม คือแทนที่จะเสียเท่าที่เสียแต่กลับเสียเกินความจําเป็นที่จะต้องเสียเช่นในกรณีของความทุกข์เพราะการพลัดพรากเพราะการเจ็บป่วยเพราะการล้มตายเป็นต้นคือถ้าปล่อยให้เสียเท่าที่เสียมันก็เสียไม่มากแต่ทำไมเกิดเสียมากเพราะใจไปเกิดขวายคว้าในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ต้องการปรารถนาในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เช่น เราง่าเสียใจเมื่อประชนคนที่รักจากไปนี่ก็แสดงว่าไปทำในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เมื่อเป็นไปไม่ได้ก็จะเพิ่มความทุกข์ขึ้นลักษณะการทําในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั้นมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งคือเจ้าพระคุณสมเด็จพระหมหาวีระวงศ์อ้วนติสัตเถระท่านช้คำว่าใส่ช้างเข้ารูเข็มได้แก่การกระทําในลักษณะฝืนกติธรรมบัญชา จะเป็นไปไม่ได้เพราะคนที่ตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วถ้าเราจะขวอยคว้าให้ไม่ตายบางก็ชื่อว่าฝืนกติธรรมดาเป็นการใส่ช่างเขา้ารูเข็มเดือดร้อนเป็นความเพียรพยายามที่สุดเปล่าแต่ถ้าใจเรายอมรับโดยนิย่าที่กล่าวแล้วคือคนที่จะต้องตายเป็นธรรมดาได้ตายแล้วภารกิจอะไรที่ทําได้ก็ทำทําไม่ได้ก็ไม่ทําวิธีการของพระเจ้าจึงสอนเฉพาะเรื่องที่เราทําได้ เมื่อทำแล้วได้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่บุคคลอื่นแล้วก็ทำถึงนั้นทีนี้ในแง่ของสมุทัยศาสตร์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแต่เรารู้จักหน้าตาแก่สก่อนรู้ทันแก่สก่อนก่เกิดแล้วไม่รู้จะทำยังไงก็ดับเฉพาะช่วงที่แก่แก่เกิดจบอย่าให้ลุกลามมากเกินไป เพราะปกติแกจะเกิดที่ใจก่อนเราก็ดับที่ใจเมื่อดับที่ใจความรุนแรงมันก็หยุดเท่านั้นเองก็เกิดขึ้นภายในใจไม่มีใครรู้เราเพราะั้นในชั้นศีลจะเห็นว่าท่านไม่ปรับอาบัติที่ใจในช่วงของความคิดเฉยๆท่านไม่ปรับแต่ถ้าช่วงของสมาธิแล้วก็มีปัญหาเพราะถ้าแกเกิดแล้วใจมันก็เศร้าหมองความสงบมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ เมื่อเราดับจะได้ไออาการวิการทางกายทางวาจามันก็ไม่ออกคือทุจริททางกายทางวาจาก็ไม่เกิดแต่ถ้าดับไม่ได้มันก็จะออกมาในความรุนแรงอาจจะออกมาทางกิริยาการก่อนถ้าระดับได้ตรงนั้นมันก็หยุดท่านั้นแต่ถ้าดับไม่ได้มันก็จะอาจจะออกมาทางวาจาถ้าเราดับที่ได้ที่วาจาอย่างน้อยก็ไม่ถึงกระทุบตีกันคือสามารถว่าถ้าเรารู้ทันในจุดใดจุดหนึ่ง เราจะแก้ปัญหาได้ก็คล้ายๆค่าศึกบุกรุกมาที่ตอนแก่ข้าวมาเราไม่รู้แต่ว่ารู้ช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วหยุดแก้ไว้ได้มันก็รักษาบ้านเมืองไว้ได้จิตใจของบุคคลเราก็มีลักษณะเช่นเดียวกันตัวการสำคัญก็คือความระลึกรู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆแล้วปฏิบัติต่อสิ่งนั้นตามสมควร ตามต้ควรอย่างไรคือสมควรแก่ธรรมะนั้นๆเพราะสิ่งที่เกิดนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่เรียกว่าควรจะกําหนดรู้ถึงความจริงของแก่แก็กําหนดรู้โดยสภาพความจริงของสิ่งเหล่านั้นบางอย่างก็มีโทษในตัวของมันเองปกิเลสทั้งหลายนั้นเกิดแล้วมีโทษในตัวของมันเองก็รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็เพียนพยายามละส่วนกลุ่มหนึ่งนั้นเป็นกลุ่มของเป้าหมาย ือเพื่อความรู้ยิง่งความรู้ดีความดับนั้นที่จริงมันเป็นเป้าหมายเฉๆจะต้องเกิดขึ้นมาด้วยการประกอบเหตุในที่นี้พระพุทธเจ้าก็สอนโดยยกตัวอย่างอากินจัญญายตนาฌานขึ้นมาซึ่งเป็นอรูปฌานก็ให้สงบใช้ความสงบที่มีอยู่ในระดับฌานนีเองแต่ไม่หยุดเท่านั้นคือสมัยก่อนเนี่ยก็หยุดเท่านั้น พุทธเจาก็ส่งสอนให้เพิ่มปัญญาขึ้นไปดูตัวนี้แหละดูที่คุณมีอยู่นั่นเองแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในสิ่งนั้นแม้จะเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งแต่ว่าท่านที่มีสมาธิเป็นพื้นฐานมาโดยลาดับเหล่านั้นท่านก็เห็นได้เมื่อเห็นได้แล้วก็จะเห็นถึงอ น, นิจจตาคือความเป็นของไม่เที่ยนทุกตาความเป็นทุกอนัตตาความไม่ใช่ตัวใช่ตัวในสิ่งนั้น ปัญญาความรู้ยิ่งเห็นจริงก็จะบังเกิดขึ้นใจก็จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสิ่งทั้งหลายในอารมณ์ทั้งหลายแม้จะประณีตขนาดอากิญจัญญาจตนาชานก็ตามจากนั้นจิตก็ก้าวเดินไปโดยลำดับโดยมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่พระรหัสเป็นยอดดังที่กล่าวแล้วแต่ขั้นตอนนั้นสามารถสัมผัสได้ตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนโดยในยที่กล่าวมาต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสืบต่อไป